ปัญจมีวิพัตอัดที่สองคืออัดพยะเหตุตวะทิปัญจะมีวิพัตในอัดพยะเหตุตวาธิในอัดเหตุแห่งความกลัวเป็นต้นพยะแปลว่าความกลัวเหตุตุก็แปลว่าเหตุหรือสาเหตุอาธิแปลว่าเป็นต้นพยะเหตุตวาธิเหตุแห่งความกลัวเป็นต้น ดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งโจงราพยังชายติโจราหรือพยังเป็นประธานาถ้าโจราเป็นประธานโจราต้องเป็นเูกภ์แต่ชายติทำไมเป็นเอกพภพเพราะโจราศับมันเป็นโจโรโจรา <c oughs> <c oughs> ถ้าพยังศับพยังเป็นเอกน์ชายติก็เป็นเอกพ่ามีไงข้อสังเกต เวลาเขาสังเกตว่าจะตัวไหนเป็นประธานเพราะดูแลแ้วคล้ายว่ามันจะเป็นปฐมาวิพัฒน์เหมือนกันอะไรอย่างนี้นั้นโจงตาเนี่ยเมื่อไม่ได้เป็นประธานมันก็เป็นปฐมาวิพัฒน์ไม่ได้เมื่อมันเป็น ป, ป, นปฐมาวิพัตน์อาเป็นปฐมาวิพัฒน์ไม่ได้เนี่ยนะตัวอา WS เนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากโยวิพัฒน์ต้องมาจากวิพัฒน์อื่นที่มันสามารถกระเทศเป็นอาได้ด้วยวิพัฒน์นอกจากโยเป็นอาได้เนี่ยก็มีแต่สีในอาลปะนะแล้วก็มันจะมีวิพัฒน์ ถ้าสี่เป็นลารัตนาก็บอกว่าดูก่อนโจรโจรมาจะมามัวพูดดูก่อนได้ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นั้นโจราเนี่ยในนี้เราพูดกาลังพูดถึงปัญจะมีวิพัตน์อยู่ดังนั้นให้สุ่มๆว่าตัวไหนที่มันน่าจะมาจากปัญจะมีวิพัตน์ได้นั่นแหละคือปัญจะมีวิพัตน์ละอย่างพยังเนี่ยเนี่ยตัววิพัฒน์ปัญจะมีคือสมหิทั้งสมาและหมเป็นอังมันไม่มีใช่ไหม เป็นอังไม่มีแต่เป็นอาห์มันมีดังนั้นจรูปว่าโจงราเนี่ยเราก็บอกได้ว่ามาจากสมาวิพัตน์โจรสมาสมาก็ได้โจรัสมาโจรมหาได้หมดอ๋อมันยาวไงมันยาวก็ลองใส่แล้วก็ว่าเป็นประโยชน์ดูโจรัสมาพยังชายติมันว่ายากมันว่ายากโจราพยังมันว่าง่ายกว่าพยังภัยสิ่งที่น่ากลัว ชายติแปลว่าย่อมเกิดชายติย่อมเกิดโจงราแต่โจรจากโจรเกิดจากโจรภัยเกิดจากโจรเรียกว่าโจงรับภัยแต่ก็ได้จากก็ได้ไดกกไดภัยย่อมเกิดจากโจรเคยไหมเคยประสบโจรรับภัยไหมค่ะขโมยเข้าบ้านมีไหม ถูกจีสู้ไหมไม่สู้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่ม่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ้าฮ่ึฮ่า้่าฮ่่่่า่า่าา่า ต่อไปข้อสองมนุษยษาเกหิพายันติเกหิกับมนุษยาตัวไหนคือปัญจะมีวิพัตฮะนนเกหิมนุษยษาไม่ได้เลยถ้าตัวหนึ่งเป็นปัญจะมีแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นปัญจมีอีกไม่ได้หรอกตัวหนึ่งมันต้องเป็นวิพัตอื่นดังนั้นตัวกิริยาพายันติเป็นผู้หูพ์มนุษยษาเนี่ยเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นประธานพู้หูพจน์มนุษยาเกหิพายันติ มนุษามนุษย์ทั้งหลายพายันติย่อมกลัวเกหิเกหิจากชนทั้งหลายเหล่าไหนหรือจากใครทั้งหลายจากใครบ้างนั่นเองนะมนุษย์ทั้งหลายย่อมกลัวจากใครบ้างกลัวใครบ้างนอกจากโจนแล้วก็มีอาจารย์ <c oughs> อาจารย์น่ากลัวไหมหน่ากลัวนะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะถามก็จะถามว่าอันนี้คืออะไรเกฮีคนหลายคนเกฮีก็หลายคนเ ก, กหเกิชะเนหีก็ได้นะเพราะเกหีมันเป็นสรพพนามก็โยกนามเข้ามาใส่เกหิชะเนหีชะเนหีจากชนทั้งหลายเกหีเหล่าไหนมนต้องทั้งหลายกลัวใครต่อไปข้อ สามดูข้อหน่อยนะหนึ่งสองก็ห้าหกเจ็ดแปดสามกับสี่มันหายไปไหนแก้เลขใหม่แก้เป็นเลขสามสี่ห้าหกหนึ่งสองเรียงเรียงเลขให้ใหม่หน่อยข้อสามดูนะข้อสามคือข้อห้าในหนังสือเนี่ยนะมนุษย์สาจองเรหิพายันติ มนุษสาโจงเรหิพายันติแปลมนุษยามนุษย์ทั้งหลายพายันติย่อมกลัวโจงเรหิจากโจรทั้งหลายโจนเยอะมีหลายประเภทโจ น, นะในในพระไตรปิฎกแสดงโจนไว้สี่ประเภทท่านว่าไว้อย่างนี้ว่าหนึ่งโจนบ้าน โจรป่าก่อนหนึ่งโจรป่าสองโจรบ้านสามโจรเมืองและสี่โจรผ้าเหลืองโจรป่าโจรบ้านโจรเมืองโจรผ้าเหลืองโจรป่านี่บ้านเราไม่ค่อยมีโจรป่าแล้วคอมมิวนิสต์มเนสอะไรก็กลับมากลับใจช่วยชาติทั้งหมดแล้ว โจนป่าก็หมายความว่าซุ่มอยู่ตามป่าตามป่าละเมะบ้างตามป่าดงดิบตามที่เปลี่ยวคอยดักซุ่มเพื่อจับจี้จะปพร้นบางทีไม่จี้ปร้นเอาเงินนะจับตัวไปฆ่าบวงสวงเทวดา<อ>เพราะสมัยจอดสมัยก่อนเนี่ยโจนเยอะเนี่ยเวลาโจนมีทีก็500้ใช่ไหมได้ยินไหมว่าโจนห้ร้อยโจนห<อ>้ร้อยหัวหน้าโจนเนี่ยต้องแสดงอานุภาพ ต้องแสดงอำนาจบาดใหญ่ให้คุมลูกน้องได้ต้องเรียกว่าเก่งทุกด้านดังนั้นวิธีการบวงสวงเทวดาเป็นวิธีหนึ่งที่จะสยบลูกน้องให้อยู่ในกามือได้ใครรู้พิธีกรรมทำน่นทานี่เป็นคนอื่นเขาก็ไว้วางใจเชื่อถืออย่างยมเกติพนเนี่ยถ้าทำอะไรเป็นสัหน่อยดูหมอดูเหมอล<ะ>ปลุก <ทำ S 1> เสก<ะ>ดูเลิกยามฮะ ยจะน่าเชื่อถือวันนี้เนี่ยนี่เรียนบาลีเก่งก็มีแต่พวกบาลีมาหาถ้าดูหมอเป็นก็พวกบ้าหมอดูเข้ามาแต่นี้ดูไม่เป็นเลยไม่มีคนมาเลยดูแต่หมอเป็นแต่ไม่ให้หมอดูใช่ไหม ดังนั้นโจรที่ซุ่มอยู่ตามป่าไม่ว่าจะป่าที่ไหนก็แล้วแต่รวมทั้งทางเปลี่ยวต่างเนี่ยนะเขาเรียก ว, ว่าโจรป่าต่อไปโจรบ้านโจรบ้านเนี่ยก็คือโจรที่ซุ่มอยู่ในย่านชุมชนขึ้นปีนพวกอะไรบ้างล่ะพวกฉกชิงวิ่งราวย่องเบาตีนแมวงัดแงะปรนจี้พร้นสะดมอันนี้เรียก ว, ว่าโจรโจรบ้านรวมทั้งบุคคลที่อาศัยสวยของหมู่บ้าน นะหลอกลวงโกงแม้แต่ขายของไม่สมกับราคาก็เรียกว่าโจรบ้านอืมเรียกว่าโจรบ้านอย่างเช่นซื้อมาห้าบาทขายหกเจ็ดบาทก็ได้กําไรแล้วแต่ไปขายห้าสิบบาทอะไรอย่างเนี้ยซื้อมาห้าบาทแล้วพันธนาคุณใส่คุนนั้นใส่คุนนี้ลงไปขายในห้าสิบบาทอย่างนี้เรียกว่าโจรบ้านฮะ ต่อไปโจรเมืองโจรเมืองก็คือบุคคลที่มีหน้าที่บริหารประเทศชาตินะหลอกลวงคดโกงช่อลาดบางหลวงกินหินปูนทรายสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีกินหรือเปล่ามีเดี๋ยวนี้กินมากกว่านั้นแลกกินเครื่องเทคโนโลยีกินมากขึ้นอันนี้เรียกว่าโจรเมือง ต่อมาก็เป็นโจรสุดท้ายโจรผ้าเหลืองก็คือบุคคลที่ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาเลยอาศัยถือเพศอย่างสมณะแล้วก็หลอกลวงเลี้ยงชีพเป็นประกอบอเนศนากรรมสแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นในจังหวัดชัยภูมิมีอำเภออำเภอหนึ่งพอถึงหน้าเทศการจะพากันบวชทั้งอำเภอเลยนะบวชฟอมบวชนะ รอมบวชมาแจกซองเรียอ์ไรตามห้างร้านบริษัทขึ้นบ้านขึ้นช่องไปหมดอ่ะแจกไปหมดหาเงินไม่ได้เอาไปทอดพระป่าวัดไหนข้งนั้นอ่ะมาแจกซองแล้วเก็บมาเก็บมาแล้วแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุมกุมมาเช่าบ้านเช่าห้องแถวอยู่จับได้ทุกปีอันนี้เรียกว่าโจรผ้าเหลืองหรือบุคคลที่บวช ด, ด้วยศรัทธาก็จริงแต่ว่าเมื่อบวชมาแล้วได้ราบได้สักการะ ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าการบวชมาในศาสนาเนี่ยบวชมาเพื่อจะได้ลาบได้สการะก็เลยติดอยู่ในลาบสการะไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความหลุดพ้นไม่ศึกษาธรรมวินยัยไม่อบรมสั่งสอนบริษัทธบริวารอย่างนี้เรียกว่าโจรผ้าเหลืองเหมือนกันทุกวันนี้เราเห็นโจรเยอะนะดังนั้นคําว่าโจรทั้งหลายเนี่ยท่านใช้พระหูพจน์ใช่ไหมหมายถึงโจรสีจ่จำพวกนี้แหละ กลัวโจนไหนนะ่ากลัวที่สุดโจนป่าจนบ้านโจนเมืองจนผ้าเหลืองโจนเมืองเหรอเอา้าถ้าเรากลัวโจรป่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ในบ้านกลัวจนบ้านแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ป่าจนผ้าเหลือง <c oughs> จนผ้าเหลืองก็จนผ้าขาวด้วยอยู่ไหนอะจนผ้าขาวอะ่ะอยากจะมีเอียวว่างั้นเถอะจนผ้าขาวด้วยจนเมืองนี่มันมันคนละระดับนะจนป่าเนี่ยนะ เขาจะดักป่นสะ dom เฉพาะคนที่เข้าไปสู่ระแวกป่าถ้าโจรบ้านก็เหมือนกันก็หากินอยู่ในระแวกบ้านส่วนโจรเมืองน่ากินผ่านประเทศส่วนโจรผ้าเหลืองกินผ่านศาสนาแต่จนผ้าเหลืองที่เราป้องกันได้ถ้าเราเราไม่เรียกใช้เราก็ไม่ให้ทุกอย่างขออะไรเราก็ไม่ให้ฮะจนที่กคำหนักที่สุดเลย หมายถึงตัวโจรเองหรือหมายถึงเราอ๋อ <c oughs> ถ้าถ้าตัวโจรเองเนี่ยนะถ้าสูงสุดเขาโจรศาสนา <c oughs> เพราะมั น, ม, นมันโจรด้านจิตใจโจรด้านจิตใจส่วนโจนปรปล้นสะดมอะไรธรรมดา <c oughs> เอางี้ละกันนะโจรป่าเนี่ยนะเขาแย่งทรัพย์สินที่เรานำติดตัวไปเท่านั้นได้ส่วนโจรบ้านก็เหมือนกัน ได้ทรัพย์สินเฉพาะที่เราไม่นําติดตัวไปเท่านั้นอย่างเช่นเราออกนอกบ้านเขามางัดบ้านได้แต่ทรัพย์สินอยู่ในบ้านไอ้ที่ติดตัวไปก็ไม่ได้ส่วนโจนเมืองเนี่ยไม่ว่าจะติดตัวไปหรือไม่ติดตัวไปส่วนโจนผ้าเหลืองนี่เรียกว่าทําให้เส้นทางมรรคผลนิพพานเปลี่ยนไปก็คือพูง่ายวกั้นไ <laughs> ปน <ot> ไปไปปิดทางสู่มรรคผลเปิดทางสู่อบายให้อะไรอย่างเนี้ยทั้งหมดแหละทั้งตัวตั้งตัวเขาเองและตัวเรา อ, ะราอ่ะอ้าวเขามาหาเรา <c oughs> ใช่นี่ดูหน้าตาเศร้าหมองสงสัยกำลังมีโชคลายสะดเดาะเคาะอ่าเราไม่เกี่ยวหรอก ถ้าเราอยู่ปกติปกติเราก็ไม่ขึ้นไม่ลงหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอพวกนี้มันจะทำให้เราขึ้นหรือลงก็ไม่รู้ถ้าพูดเป็นอัดเป็นทำโอ้ยมหน้าตาเศร้าหมองอย่างนี้ไปรักษาศีลบ้างนะหน้าตาจะได้ผ่องใสฟังรู้สึกขัดขัดยังไงไม่รู้แต่พอไปสะดอกข้อมวัดไหนละท่านอะไรวัดไหนดี สนใจอ้าวดูต่อไปมนุษย์ทั้งหลายย่อมกลัวจากโจนทั้งหลายนะต่อไปข้อหกให้เป็นข้อสี่กัญยายโยเกหิอุตสันติเมื่อกี้คําว่าพายันติทั้งสองพายันติเนมาจากพีธาต์นะพีพอสัมเพลศรอีแปลว่าพีพระเยในความกลัวพีธาต์ในความกลัวพีพะเย มีการวุฒิ e เป็น a ก็เลยเป็น p แล้วก็อาเทศ a เป็นอายะเหมือนเมื่อวานเห็นไหมจำได้ไหม a เป็นอายะเมื่อวานก็ทีหนึ่งแล้ว a เป็นอายะอย่างคำว่าอายุเมื่อวานนี้เขียนให้อ่ะนั่นก็ a เป็นอายะดังนั้น p มาเป็น p p ก็มาเป็นพายะแล้วก็ลงอันติวิพัตนธรรมดาเนี่ยก็มีรูปเป็นพายันติย่อมกลัว วุติอีเป็นเออาเทศเอเป็นอายะวุติอีเป็นเออาเทศเอเป็นอายะมีรูปเป็นพายันติย่อมกลัวมาจากพีธาที่แปละว่ากลัวข้อหที่เป็นข้อสี่นี้กัญยาโยเกหิอุตสันติส่วนอุตตสันติเนี่ยมาจากตัสสธาตุอุบนหน้าตสสธาตุแปลว่าสะดุง้ง สะดุ้งนี้หมายถึงสะดุ้งกลัวไม่ใช่สะดุ้งตกใจจริงๆสะดุ้งตกใจก็คือโทสะนั่นแหละถ้าเรียนอภิธรรมมาแล้วสะดุ้งกลัวหวาดสะดุ้งอยู่ตลอดเดินเดินไปเห็นอะไรแว๊บๆผ่านหูไปนกกระจอกบินผ่านอุย้ยอะไรสะดุ้งใบไม้ล่วงอุย้ยผีอะไรอย่างเนี้ยคนขี่สะดุ้งกลัวตะอุบ น, น่าตะสะาธาตุอันติวิพัสส่วนตะตัวหนึ่งซ้อนเฉย อบวกตาสะแล้วก็บวกอันติวิพัตนะแปลว่าย่อมสะดุ้งกลัวย่อมหวาดกลัวย่อมหวาดระแวง <c oughs> กัญญาโย ο, สาวน้อยทั้งหลายอุทธสันติย่อมสะดุ้งกลัวแกหิจากใครทั้งหลายจากชนทั้งหลายเหล่าไหนหรือจากใครบ้างพวกสาวน้อยกลัวใคร คำตอบข้อเจเป็นข้อห้ากั ญ, ญายาโยพาเลหิอุตสันติพาเลหิแปลว่าจากคนผ่านทั้งหลายสาวน้อยทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวจากคนผ่านทั้งหลายกลัวคนผ่านให้สังเกตนะว่าบาลีท่านไม่ได้ใช้คาว่ากลัวซึ่งนะกลัวเนี่ยต้องกลัวจาก ถ้ากลัวซึ่งเน่เข้าไปหาถ้ากลัวจานะ่าถ้กลัวละหลอกลีกออกมาภาระ<า><า>คำนี้แปลว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยภาระเนี่ยปัญญาอ่อนหรือภาษาไทยปัญญาอ่อนนี่มันก็คือปัญญาน้อยนั่นแหละแต่ว่าพูดถึงปัญญาอ่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าออาภาษาไทย ภาษาไทยปัญญาอ่อนนี่คือพวกไม่รับรู้ไมร่ร้อนรู้หนาวจริงน่าจะดีนะทุกขเวทนาก็เฉยทุกขเวทนาก็ยิ้มแห่สุขเวทนาก็ยิ้มแห่อยู่ตลอดน่าจะดี <c oughs> ปัญญาน้อยคําว่าภาละเนี่ยคําว่าภาละได้แปลว่าอ่อนแปลว่าน้อย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ภาละธาต ภะมะ น, นันเนแปลว่าอ่อนมันทเน <c oughs> สาวน้อยทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวจากคนผ่านทั้งหลายต่อไปข้อสุดท้ายเป็นคาถาข้อหข้อแนี่แหละให้แกเป็นข้อ6ตันหายชายตีโสโกตันหายชายตีพยัง ตัณหายะวิปมุตตสัสนัตถิโสโกกุโตภยังดูสิว่าอันไหนคือปัญจะมีวิพัฒน์เห็นไหมตัณหายชายติโสโกโสโกความเศร้าโศกความโศกเศร้าความเศร้าโศกชาญติก็คือชาญติ ทีฆะอีเป็นอีเพราะรักษาฉันจริงๆก็คือชายติคือติวัตมานาวิพัฒแปลว่าย่อมเกิดขึ้นเหมือนข้อหนึ่งเห็นไหมข้อ1ก็เป็นชายติอันนี้ก็ต้องชายติทําทีคะอีเป็นอีให้เฉยสับเดิมคือชายติชายติย่อมเกิดขึ้นตันหายะจากตันหาความเศร้าโศกย่อมเกิดจากตันหา ตันหายะจากตันหาตันหายชายติพยังชาญติก็คือชายติเมันเดิมมันนั่นแหละพยังภัยภัยอันตรายชาญติย่อมเกิดตันหายะจากตันหาภัายย่อมเกิดจากตันหาตันหายะวยิปมุตตสระนัตถิโสโกโกุโตพยัง โสโกความเศร้าโศกวิปปมุตตสัะของบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วของผู้มีจิตบุคหลุดพ้นแล้วไม่ต้องบุคคลก็ได้ของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ววิปปมุตตสัตเนี่ยแปลว่าหลุดพ้นแล้วตันหายะจากตันหานัติย่อมไม่มี ความโศของผู้มีจิตหลุดพ้นจากตัณหาแล้วย่อมไม่มีพยังภัยนัตถิจะมีกุโตจากที่ไหนความโศของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจะไม่มีภัยก็ไม่มีความโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีมกกมมมมบุคคลที่เศร้าโศเพราะตัณหา เมื่อจิตหลุดพ้นจากตัณหาแล้วก็ไม่เศร้าโศกบุคคลผู้มีภัยเกิดจากตัณหาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วภัยก็ไม่เกิด <c oughs> แปลคาไหนไม่ได้ดูป้อมตัณหายาชายาติเนี่ยเราไม่ต้องเขียนซ้ําอีกใช่ไหมรู้อยู่แล้วมันซ้ํามันมันเหมือนเดิม่อาความเศร้าโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัาายฮะไ ม, ม, ไม่ไม่ใช่ หมายถึงข้างล่างใช่ไหมนัตถิโสโกโสโกความเโสโศวิปปมุตตสระของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตัณหายะจากตัณหาของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ววิปปมุตตสระของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตัณหายกจากตัณหานัตถิย่อมไม่มี ความโศกของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากตัณหาย่อมไม่มีนะนัตถิย่อมไม่มีอมมมพยังภัยพยังภัยอัตติไม่มีในเนี้ยมันมีนัตถิเราก็ใส่อัตติเข้ามาอัตติจะมีกุโตจากที่ไหนใส่วงเล็บไว้ว่าอัตถิหลังพยังนั่นก็ได้พยังไัยอัตติจะมีกุโตจากที่ไหน ยังยังยังไพ่ก่อนอยังไม่ได้เขียนไพยเล ย, อ เ, อยเอาดูใหม่ฟังใหม่โสโกเอาตั้งแต่แรกเลยนะตัณหายะชายตีโสโกโสโกความเศร้าโศกชายตีย่อมเกิดตัณหายะจากตัณหาตัณหายะชายตีพยังพยังไพยชายตีย่อมเกิดตัณหายะจากตัณหา ความเศร้าโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยย่อมเกิดจากตัณหาต่อมาตัณหายาวิปปมุตตะสะนัตถิโสโกโสโกความเศร้าโศกวิปปมุตตะสะของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตัณหายะจากตัณหานัตถิย่อมไม่มีพยังภัยอัตถิจะมีกุโตจากไหน จากไหนจากพี่ไหนไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะมันเกี่ยวกันถ้าอนาธราระคือไม่เกี่ยวข้องกันเช่นเมื่อเมื่อบุคคล น, นี้เบุตรพ่อและจากปหาความ ส, ะสะูญจะไม่มีอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้ไไดเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลกัน อทิหลังพยังอันนี้เป็นของพยังอย่างเดียวพระวนัตถิอันเป็นของโสโกบางอาจารย์ท่านก็แปลอย่างนี้นะโสโกกับพยังในะแปลเป็นประโยคเดียวกันท่านแปลว่าอย่างนี้โสโกความเศร้าโศกพยังและภัยความเศร้าโศกและภัยมีปวงุตตะสาของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตัณหายะจากตัณหานัตถิ จะมีย่อมไม่มีกูโตจากที่ไหนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างงี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ท่านจะแปลแยกกันเพราะมันเป็นปฐมาสองตัวแปลของใครของมันนัตถิไม่มีอัตถิมีถ้านัตถิก็ไม่มีถ้าอัตถิก็มีคา ถ, ถ, า, น ถ, ถ, า, น ถ, ถานี้มาจาก ขุตาการนิกายธามมบทเล่มที่ยี่สิบห้าข้อสองร้อยสิบหกหน้าห้าสิบห้ามันไม่มีหน้าไว้เห็นไหมทับแล้วก็วงเล็บปิดเลยอะตรงวงเล็บปิดเนะ่ะเขียนห้าสิบห้ามีแต่เล่มข้อแต่หน้าไม่มีเขียนหน้าเพิ่มเข้าไปหน่อยหลังวงเล็บเขียนว่าห้าสิบห้าห้าห้าเป็นหน้า มาจากเรื่องพราหมณ์ผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีพราหมณ์ผู้หนึ่งไม่เคยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าไม่เคยเลื่อมใสพระธรรมไม่เคยเลื่อมใสพระสงฆ์เลยแม้แต่จะอยู่ในเมืองสาวัตถีที่คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เขาไม่ให้ความสนใจไม่ใช่ไม่ให้ความสนใจพระพุทธเจ้าเท่านั้น แม้แต่ศาสดาไหนๆเขาก็ไม่สนใจเนทะ่านั้นเฉยเหมือนกับเป็นคนไม่มีศาสนาบ้านเราก็มีเยอะใครก็ไปฟังธรรมก็เฉยใครเขาจะชวนเข้าโบสถ์ก็เฉยคือไม่ไปอย่างเดียวถามเรื่องศาสนานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแต่ทำไร่ทานาไปอย่างนั้นแล้วเป็นวันวันวั น, ว, น, ว, นวันไปบุคคลที่ไม่มีศาสนาจะมีความบกพร่องหลายอย่างเช่นไม่รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่า ควรที่จะให้ความสําคัญแม้แต่คุณของมารดาบีดาเมื่อมารดาบิดาป่วยก็ใช่ใช่ก็ดูแลกันไปแค่นั้นน่ะเล็กๆน้อยๆแล้วมารดาบิดาเองก็ไม่ได้เรียกร้องหรอกว่าเจ้าทํำอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้แม่หน่อยไม่ได้เลยก็ไม่สนใจก็คือว่ามันอยู่ในระดับไหนคือทั้งครอบครัวทั้งสายเลือดเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่เคยปฏิบัติ ต, ต่อกันว่าความเอื้ออาทรท์ต่อกันเป็นอย่างไร จะไม่มีความรู้สึกรู้สมที่บ้านตระมาก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเหมือนกันทํานองนี้ใช้อย่างเดียวนึกว่าเป็นแต่รูกพอไปดูพ่อดูแม่เขาก็เหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันไม่ให้ความสนใจใยดีไม่ช่วยการช่วยงานอะไรใครนั้นนะใช้อย่างเดียวแต่ก็ทําไร่ทํานาพอเลี้ยงตัวเองได้ไปวันวันพราหมณ์ผู้นี้ก็แบบนั้นคือไม่เลื่อมใสใครเลย ถึงรุดูทำนาช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเขาก็ออกไปทำไร่ทำนากำลังไถนาอยู่พระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่าจะโปรดใครใครคือเวนยศัตร์ของวันนี้พรุทธเจ้าก็เห็นพรามณ์ผู้นี้ปรากฏในข่ายพระยานพระพุทธเจ้าจึงออกเสด็จบินทบาตโดยผ่านไปที่นาของพราหมณ์ผู้นี้ตั้งใจจะผ่านผ่านไป ผ่านไปพราหมณ์กำลังเอาจอบขุดดินพระวิเจ้าผ่านไปก็ถามว่าพราหมณ์ท่านทําอะไรหรือพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้ากําลังได้หญ้าขุดดินกําลังจะเตรียมจะทํานาเท่านี้แหละพระวิเจ้าก็เดินไปบิณฑบาตรรุ่งขึ้นวันที่สองมาอีกวันนั้นพราหมณ์ได้หญ้าเสร็จแล้วกําลังขุดจะทําเป็นคูเป็นคันนา ผู้เจ้าผ่านมาก็ถามอีว่าพรามทําอะไรก็บอกว่ากําลังจะทําคูคันนาอยู่วันที่สามผูเจ้าผ่านมาถามอีกพรามทําอะไรหรือบอกกาลังเตรียมจะไถานาถามทุกวนันทุกวนันทุกวนันจนพรามเนี้ยดํานาเสร็จคิดว่านานเท่าไหร่อย่างน้อยหนึ่งเดือน อย่างน้อยหนึ่งเดือนจนกว่าจะหวานเข้าวกล้าเป็นแปลงกล้าเสร็จถอนกล้ามาปักดำนาได้เนะี่ยประมาณเดือนหนึ่งพระเจ้าไม่ละความพยายามนะก็คือจะให้เขาเห็นพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเนี้ยแล้วก็ถามทุกวันทุกวันพอดำนาเสร็จพระพุทธเจ้าผ่านไปอีกพรามวันนี้ท่านทําอะไรพรามผู้นี้คิดขึ้นมาในใจว่าตั้งแต่วันแรกเราเริ่มมาใดา่ย่าเพื่อจะทํานาตรงนี้เนี่ย สมณะเนี้ยมาหาเราทุกวันทุกวันนับว่าเป็นสหายของเราไม่ได้เลื่อมใสนะนับว่าเป็นสหายของเราก็เลยพูดว่าสมณะตั้งแต่วันแรกที่พบท่านข้าพเจ้าก็ทำนาตรงนี้ท่านมาหาข้าพเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันเอาละ่ะถือว่าท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตแล้วจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่ง จะแบ่งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะแบ่งข้าวให้ครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรก็ผ่านไปยังไม่พอนะแค่นี้เลิกไปไม่ใช่นะพระพุทธเจ้ายังผ่านไปทุกวันนะผ่านผ่านผ่านไปจนถึงข้าวก้าออกรวงแก่ใกล้จะได้วันเก็บเกี่ยวตื่นเช้ามาพรามณ์ก็เตรียมหาอุปกรณ์สําหรับเกี่ยวข้าวจะไปที่นาคืนนั้น คืนก่อนที่พรามณ์จะไปเก็บเกี่ยวข้าวนั่นแ่ะเกิดฝนตกใหญ่น้ำป่าหลากมากวาดเอาข้าวในนาของพรามณ์เนี่ยเรียบเลยบาลีท่านพนนาว่าพื้นดินในนาของพราหมณ์ผู้นี้เป็นเหมือนวันที่ดาย่าวันแรกเลย <c oughs> ไปหมดเลยกอข้าวต้นข้าวไปหมดเหลือแต่พื้นดินโลง่ลงๆอย่างนี้พราหม์ได้เกี่ยวได้อุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปที่นาพอไปเห็นหนาช็อกเลยพรามโอ้โหอะไรเนี่ยนาข้าพเจ้าหายไปไหนทําไมเป็นอย่างนี้เหลือแต่พื้นดินเปล่า ว, วันนั้นพระพุทธเจ้าอีกละพระเจ้าเดินบินาบาตไปบอกว่าพราหม์วันนี้ท่านทําอะไร ถ้าเป็นคนผ่านจริงๆนะตั้งแต่ข้าพเจ้าเห็นท่านมาถือว่าโชคร้ายที่สุดอะไรนะข้าพเจ้าโชคร้ายเพราะท่านเดินผ่านมานะข้าพเจ้านี่แหละดีไม่ดียกจอบยกเสียมไล่ทุกเตี๋ยเลยซ้าแต่พรามพวนี้ไม่พรามพวนี้เสียดายว่าข้าพเจ้าได้พูดกับท่านเอาไว้ว่า เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะแบ่งให้ท่านบัดนี้ข้าพเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มเมล็ดข้าวเม็ดเดียวไม่รู้จะเอาที่ไหนมาแบ่งให้ท่านได้แล้วภูเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินวิบินทบบาทภเจ้าไม่ขึ้นไม่ลงอยู่แล้วคงที่ตาที่สกุลของพระอรหันต์วันหลังจากวันนั้นภูเจ้าเดินทบบาทผ่านมาที่นายอยู่แหละไม่มีพรามเลยหายไปไหน พรามหายไปไหนก็เลยเจตนาบิณฑบาตผ่านไปที่บ้านพราหมถามหลานว่าพราหมไปไหนซะล่ะหลานก็บอกว่าอย่าถามถึงเขาเลยตอนนี้กําลังนอนเศร้าโศกอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่พบใครไม่ต้องการพบใครพระพุทธเจ้าเลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปในบ้านลูกหลานเรียบรีบเตรียมอาสนะมะปูให้ประทับ ผู้เจ้าเลยตรัสว่าไหนเรียกพรามผู้นั้นมาดูสิพอลุกไหวไหมไปถามดูหน่อยบอกว่าบอกเขาว่าวันนี้สหายมาเยี่ยมพรามผู้นั้นได้ยินว่าสหายสมณะผู้นั้นมาเยี่ยมก็รีบลุกจากที่นอนมาเข้ามาหาก็แสดงความเศร้าโศกว่าข้าพเจ้าเศร้าโศกนักตั้งใจจะแบ่งข้าวในนาให้ท่านมันวันนี้ไม่มีเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่รู้จะทาอย่างไร มามู่แต่นอนเศร้าโศกอยู่นี่แหละจะทําอย่างไรได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันปีหน้าข้าพเจ้าทําแล้วจะแบ่งให้พราหมยังดีนะออ <laughs> ยังดีห <c oughs> น้าเศร้าตาแดงจะร้องไห้แหละมิร้องไห้แหลอยู่เพระพุทธเจ้าอาศัยจังหวะนี่แหละจังหวะที่จิตสังเวชสุดๆนี่แหละนะแสดงทําให้ฟังด้วยคาถาเนี่ยถามว่าพราหม ท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังเศร้าโศกข้าพเจ้ารู้ว่าตัวเองกำลังเศร้าโศกอยู่พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าพราหมณ์ท่านรู้ไหมว่าท่านเศร้าโศกเพราะเหตุอะไรตอนนี้พราหมณ์นิ่งคิดเอข้าพเจ้าก็ไม่รู้ท่านรู้หรือพระพุทธเจ้าบอกว่าเรารู้ไหนลองว่ามาดูสิ พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาเนี่ยว่าตัณหายชายตีโสโกเนี่ยตัณหายะชายตีโสโกตัณหายะชายตีพยังตัณหายะวิปปุตตะสัตนะถโสโกกุโตพยังตรัสคาถานี้จบพรามผู้นั้นบรรลุโสดาปติพลเมื่อไหร่ยมเศร้าโศกอาตมาจะไปพูดให้ฟัง <laughs> <laughs> เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพรามพวกนี้ไม่เคยมีอัธยาศัยเลยใช่ไหมผู้เจ้าต้องผ่านหเห็นทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันจนมีความรู้สึกคุ้นคเคยไว้วางใจใช่ไหมแต่ถ้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยนะไปพูดอย่างนี้ไม่ฟังนะเนี่ยไม่เข้าหูนะเนี่ยดีไม่ดีย้อนกลับแล้วท่านไม่มีตัหาเหลเยเพราะว่า <laughs> พรามพวกนั้นบรรลุโสดาบัน นี่ก็คือพระพุทธเจ้านำคาถานี้มาแสดงใช่ก็ทราบอัธยาศัยแล้วว่าเมื่อได้ฟังธรรมอย่างใดอย่างใดเหมาะแก่อัธยาศัยแล้วสามารถจะบรรลุธรรมได้แต่พวกเราอย่าไปหวังเลยห่างพระพุทธเจ้าสองพันห้าร้อยมาแล้วสองพันหรอปีเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าทอดทิ้งจะมีมังอีก พอข้างหน้าเราเนี่ยจะเกิดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งหลายครั้งเนี่ยยังมีพุทธันดอนรอข้างหน้าอยู่ข้ามพุทธันดอนไปได้ถึงจะไปพบพระเจ้าองค์สุดท้ายของกลับแต่ไม่รู้จะข้ามพุทธันดอนได้หรือเปล่านะพุทธันดอนเขไม่รู้ว่านานสักกี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่กลับกี่อสงไขย <laughs> จํานวนปีและนับไม่รู้เท่าไหร่ อยู่นะพุทธเจ้าไม่เจอพุทธเจ้าไม่เป็นไรได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้พบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยบอกว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายหากท่านทั้งหลายอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าใช้คำว่าหากจะบูชาเราตถาคตก็จงบูชาพระอรหันตสาวกบูชาพระสงฆ์สาวก หรือบูชาสิ่งใดๆที่ทำให้ระลึกถึงพระตถาคตก็ได้ชื่อว่าบูชาพระตถาคตตันหาเป็นอาการการอิทธิลิงเหมือนกันยาสมาเป็นเป็นยะแต่วยาก์ใหญ่ก็สมาเป็นอายะอันนี้สมาเป็นยะก็เลยมีรูปเป็นตันหายะแปลว่าจากหมดเลย อ่ะแปลตั้งแต่ข้อหนึ่งโจรราพยังชายติภัยย่อมเกิดจากโจรมนุษย์สาเกหีพยันติมนุษย์ทั้งหลายย่อมกลัวจากชนทั้งหลายเหล่าไหนมนุษย์สาจงเรหีพยันติ มนุษย์ทั้งหลายย่อมกลัวจากโจรทั้งหลายกัญญายโยเกหิอุตสันติสาวน้อยทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวจากชนทั้งหลายเหล่าไหนจากชนทั้งหลายเหล่าไหนอย่าเพิ่งเอาชนพานสิถ้าชนพานแล้วก็ไม่มีเหล่าไหนแล้วเหล่าไหนนี่เขาก็ไม่รู้ว่าใคร กัญญาโยพาเลหิอุตสันติสาวน้อยทั้งหลายย่อมสะดุ้งกลัวจากคนพานทั้งหลายทันหายชาชยตีโสโกตันหายะชายาตีพยังตันหายะวิปมุตตสะนัตถิโสโกปุโตพยัง ความเศร้าโศกย่อมเกิดจากตัณหาภาัยย่อมเกิดจากตัณหาความเศร้าโศกของผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากตัณหาย่อมไม่มีภัยจะมีจากที่ไหนภัยก็ย่อมไม่มีจากที่ไหนไหนภัยจะมีจากที่ไหนได้ เมื่อจิตปุดพ้นแล้วภัยจะมีจากที่ไหนได้เล่าภัยก็ย่อมไม่มีกูโตพระยังไละภัยจะมีจากไหนใช่มีเกหิเก้นั่นหะคือคาถามมีเกฮินั่นคือคำถา ม, ม, เ, ถามเพราะกิ่งมันบอกอ่านคำถามสงสัยคำไหนประโยคไหนถาม สงสัยว่าเอ๊มาจากธาตุอะไรนะแปลอะไรนะชาจิตินี่มาจากธาตุอะไรชาธ า, าตุฮะ<า>ยาธาตุยาธาตุแปลวางรู้รชาธาตุเลอชาธาตุไม่มีายาไม่มียาแปลวางรู้แต่นี้แปลว่าเกิด มาจากชะนะธาตุชะนะธาตุชะนะธา ต, ะะาตุเอาชะนะเป็นชาประเทศชนะเป็นชาส่วนยะนี่ปัจจัยอะไรก็ยปะปัจจัย <c oughs> ยะนี่เป็นปัจจัยชะนะเป็นชาแล้วก็ลยปะปัจจัยชายะติ ชนะชนะเนในการเกิดเหมือนกับคําว่าชาติอย่างนั้นแนหะชาติแปลว่าการเกิดชาติอะลงติปจัจจัยก็ชนะเป็นชาก็เป็นชาติ <c oughs> <c oughs> ฮะ <c oughs> มุตตะก็มาจากมุจจะธาตุตปัจจัยมุจจะมุจจะโมจเนในการปล่อยในการเคลื่องในการหลุดพ้นนะมุตตะตรงนี้แปลว่าพ้น แม้แต่คาว่าน้ามูดน้ำคูดก็มาจากมุตตะคำนี้เหมือนกันแปลว่าพ้นออกจากร่างกายน้าที่พ้นออกจากร่างกายชื่อว่าน้ามูดหมายถึงน้ำปัสสาวะฮ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะมุจจะตะปัจใจตะปัจใจวิปปมุตตะสะวิปปมุตตะสะ คำว่าวิปมุตต์สามารถจากวิบวกปะบวกมุจะบวกตะวิแล้วก็ปะวิปะนี่เป็นอุปสรรควิกับอุปสรรคปะอุปสรรคบวกมุจะธาตบวกตะปัจจัยส่วนสระไม่ต้องบวกก็ได้มันเป็นวิพัฒนธรรมดานี่เองฉัตรถีวิพัฒนมุตต์ตะนี่แปลว่าหลุดแปลว่าพ้น แต่ถ้ามีวิแต่ถ้ามีมีปะให้เฉยนะประมุด ต, ตะนะแปลว่าปล่อยแปลว่าเปลื่องแปลว่าหลุดส่วนมีวิและป่าอยู่ข้างหน้าแปลว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นหรือมีวิเฉยก็แปลว่าหลุดพ้นเหมือนกันคำว่าวิมุด ต, ตะวิมุติอะไรนะแปลว่าหลุดพ้นได้